เวลาจะมองหาใครสักคนนะหายากดูแล้วมันเป็นแผ่นๆปื้นๆเดือยากแก่แล้วตาไม่ดีหลักของการปฏิบัติล้วบอกพวกเราทุกวันนะบอกแบบไม่มีปิดบังซ่อนเลน่นงครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บนว่าหลวงพ่อสอนแบบเปลืองตัวมากไปเปลืองตัว ทุ่มให้นะทุ่มให้ว่ากว่าเราจะพอนาเป็นลําบากมาเยอะและ้วเขาเข้าใจเขามาบอกต่อแทนคุณพระพุทธเจ้าทุกวันนี้มาสอนทุกวันเรื่อยๆเนะี้ยในใจคิดอย่างเดียวว่าจะแทนคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าจ ะ, จะสอนเพื่ออย่างอื่นหรอก แลสอนเต็มที่แล้วพวกเราได้แค่ไหนหลวงพ่อก็ถือว่าหลวงพ่อทํางานของหลวงพ่อแล้วนะพวกเราก็มีหน้าที่ศึกษาเอาเองปฏิบัติเอาเองวันใดรู้แล้วเข้าใจแล้วก็บอกต่อตามหน้าที่ของชาวพุทธรู้แล้วไม่บอกต่อก็ไม่ดีหลวงพ่อมาบวชนะอายุเยอะแล้วเราจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนเราก็ไม่สนใจแล้ว ถึงไม่มีอะไรปิดบังสอนซื่อๆนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นทุ่มให้เต็มที่แล้วล่ะชีวิตคนมันจะยืนยาวสักแค่ไหนก็บอกให้หมดทุกอย่างแล้วนะเรแต่ทำเอาเองอนะย่างคุยกันไม่ชีเลยว่ามาถึงวันนี้เราไม่กลัวอะไรแล้วเราสอนของเราอย่างนี้แหละสอนแล้วมันได้ผลนะสอนอ้าๆอ้อๆาอึ้งอึ้งยุ ก, ก็ยัก เป็นสมัยเราเราก็ลำคาญสอนคนรุ่นนี้นะคนรุ่นเรียนหนังสือเยอะมีอะไรก็ต้องแบกันออกมาให้เห็นทางกระดานนะให้เห็นทั้งระบบสอนเป็นจิ๊กซอจ์างก็ไม่ทําหรอกให้รู้ตัวนี้ต้องไปทําต่อนะไม่ทําหรอกนะใจของเรามันไม่ค่อยมีเวลามาก คนยุคนี้ไม่เหมือนคนสมัยโบราณนะอย่างคนรุ่นพ่อของหลวงพ่อเงี้ยผู้ชายทำงานคนเดียวผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกผู้หญิงภาวนาสบายเลยถ้าภาวนาเป็นนะผู้ชายก็ไม่ลำบากอะไรเลิกงานสี่โมงครึ่งห้าโมงก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนี้สองทุ่มยังไม่ค่อยถึงบ้านเลยนะกลับมาถึงบ้านก็สมซารมาแบบนกปีกหัก ทังตัวผู้ตัวเมียบินมาคนละทางลูกก็หลับไปแล้วเช้ามืดออกจากบ้านไปแล้วบินไปแล้วคนละทางลูกตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอใครชีวิตครอบครัวมันล้มไปหมดแล้วสถาบันครอบครัวมันล่มไปแล้วเราก็ไม่ได้หหยหาอาดีตนะทุกอย่างมันไม่คงที่มันล่มไปแล้วมันก็แล้วไปละแต่ทายังไงเราจะสามารถอยู่กับมันได้ ชาวพุทธเนี่ยไม่ปฏิเสธความจริงที่กําลังเกิดขึ้นนะไม่ใช่ไปคล่าครวญว่ากลับมาสร้างครอบครัวนะวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวคล้ายควันที่ระลึกความตายไงก็ไม่รูนะ้มันตายไปแล้วก็ต้องมีวันที่ระลึกมันะถาบันครอบครัวก็ตายไปแล้ววันต้องมีที่ระลึกมันวันนี้วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพราะต้นไม้ไม่มีละวนะ ที่เราลึกนนที่เราลึกนี่มันไม่อยู่แล้วถ้าเราภาวนาเป็นนะไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนยังไงโลกนี้มันต้องเปลี่ยนแล้วก็มันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยจำนวนมากเกินกว่าคนใดคนหนึ่งจะควบคุมได้ไม่มีใครชี้ขาดให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบอีกต่อไปแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยแวดล้อมเยอะแยะไปเลย ย่งเศรษฐกิจไม่ดีพระธานาที่ดีก็สั่งไม่ได้ให้ดีก็สั่งไม่ได้ทําอะไรก็ทําไม่ได้ถ้าเราพอนาวนะเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมสภาวะใดๆเกิดขึ้นเราก็เห็นว่ามันธรรมดาที่มันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์นะอย่างเราต้องแก่มันธรรมดาเราต้องแก่เกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่สิไม่แก่มันได้ไงนะ เด็กอายุหนึ่งวันมันก็แก่มาวันหนึ่งแล้วเด็กอายุสองวันมันก็แก่สองวันแล้วบางคนพอแก่เรากลุ้มใจทนไม่ได้ไปดึงดึงดึงดึงดึไม่มีประโยชน์อะไรบางคนเจ็บไข้ทนไม่ได้เป็นมะเร็งมะเร็งเป็นโรคคิดนะใครเป็นถือว่าทันสมัยต้องทำใจนะ ก็มันเป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วตอน น, นี้ยสิ่งแวดล้อมมันเลวขนาดนี้อารมณ์ของเราก็เลวขนาดเนี้ยมันจะดีอะไรนักหนามีชีวิตอยู่ได้ขนาดนี้แต่ละวันแต่ละวันก็บุญถมไปแล้วะคนเป็นมะเร็งยอมรับไม่ได้ตายไปเลยยังไม่ทันจะขั้นไหนเลยนะหมอสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งช็อกไปแล้วนะส่วนพวกภาวนานะหมอบอกว่าอยู่ได้อีกเดือนหนึ่ง ภาวนาลูกเดียวเลยเต้อเวลาเดือนสุดท้ายของชีวิตแล้วภาวนานี่อยู่มาสามสีป่ปีไม่ยอมตายสักทียอ ม, มาบานเมินเฉยนะโถโลกนี้ไม่แน่นอนหรอกนะใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายเลี่ยงได้ที่ไหนใครจะพลัดพลากจากสิ่งที่รักเลี่ยงได้ที่ไหนก็อยากไปรักเองก็ทุกข์สิไม่รักก็ไม่ทุกข์หรอกนะเราพลัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์นะ จะไม่ให้พลัดพรากนั่นไม่ได้ทุกคนถึงจุดหนึ่งต้องพลัดพรากไม่จากเป็นก็จากตายนะฉะนั้นห้ามไม่ให้พลัดพรากไม่ได้แต่ถ้าไม่รักไม่ทุกนะพลัดพรากจากสิ่งที่เกลียดดีใจ <c oughs> ถ้าเราภาวนานเราเห็นในในกายในใจนี้มีแต่ก้อนทุกข์มีแต่ทุกข์พลัดพรากจากทุกข์เสียใจหรือ ไม่เห็นน่าเสียใจน่าพลาดจากสิ่งที่รักเราไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษเรารู้ว่ามันเป็นก้อนทุกข์ไม่เอาหรอกมันไม่พลาดยังอยากให้พลาดเลยเหมือนผู้ชายหลงผิดทั้งหลายแต่งงานไปนะก็มันสาวอยู่แป๊บเดียวอะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันก็แก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดุยังกหม่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผู้หญิงก็นินทาสามีเหมือนกันแหละใช่ เหมือนกันแหละนะเรื่องไอ้แกนะ่อยู่ที่เราพาวนานะพาวนาจนใจเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาปรากฏขึ้นกับเราเนี่ยมันสมควรด้วยเหตุด้วยผลทั้งสิ้นยอมรับไม่ใช่ยอมจำนนยอมจำนนแล้วก็ปล่อยไปตามยาถากรรมยอมรับความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้ยอมจำนนที่จะปล่อยให้จิตใจจมอยู่ในห่วงของความทุกข์ ยอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแต่ว่าพัฒนาใจไปยอมรับว่าต้องพลัดพรากก็ต้องพัฒนาใจยอมรับว่าต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ทนอยู่กับสิ่งไม่ดีนะยังเกิดมายากจนนี่ชาวพุทธไม่ใช่ว่าอชาติก่อนไม่ได้ทําบุญมาชาตินี้ยากจนก็จนต่อไปนั่นะไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธเมื่อชีวิตมีปัญหาต้องหาทางแก้ไขด้วยสติปัญญา ชาติก่อนทําบุญมาไม่ดีนะชาตินี้ยากจนชาตินี้ต้องทํากุศลให้มากๆากุศลมากๆากไม่ใช่ใส่บาทเยอะๆะทํายังไงถึงจะรวยพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วต้องขยันทํามาหากินใช่ไหมขยันได้เงินมาต้องรู้จักเก็บนะรู้จักลงทุนต่อรู้จักคบคนที่ดีๆคบคนไม่ดีก็หายยนะดํารงตัวเองพอเหมาะพอควรใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอควรไม่ใช่ไรายได้เดือนละห้าพัน ใช้เดือนละสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าทําได้อย่างนี้ก็ไม่จนหรอกอาจจะไม่รวยอย่างคนอื่นเทขาหนะแต่ว่าไม่ลําบากฮนะไม่ลําบากพอพอเพียงเพราะนั้นชาพุทธไม่ได้ยอมจานวนลูกติดหยาไม่ใช่สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมของเด็กละมีแม่อย่างงี้มีพ่ออย่างเงี้ยกรรมของมันแล้วมาเจอพ่อแม่อุเบกขาเนี่ยนะ เราก็ต้องดูว่าทำไมมันติดยาทำไงจะแก้ปัญหาคือไม่ได้ปล่อยชีวิตตามยถากรรมนะชาวพุทธนะชาวพุทธยอมรับทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะว่ามันต้องเกิดไม่ใช่อยากให้มันไม่เกิดแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีหน้าที่ปฏิบัติต่อมันด้วยสติด้วยปัญญาอย่างคนนึงเช็คเด้งกลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหลวงพ่อถามตรงๆเลยว่าเสีย เสียอยากให้เช็คไม่เด้งใช่ไหมใช่ครับเด้งแล้วมันเด้งแล้วนชอบกลุ่มใจไปทุกเรื่องอ่ะวันหนึ่งก็นั่งหงิกมาหาหลวงพ่อเลยอาจารย์กลุ้มใจจริงเลยสาวๆนั้นโทรมาหาลูกชายผมทั้งวันเลยก็ดีแล้วเนี่ยดีกว่าหนุ่มๆโทรมาโอ้จริงเว้หายกลุ่มเลย ยอมรับแล้วปรับมุมมองสันิดหนึ่งนะความทุกก็ตกหายไปเยอะแล้วมองโลกด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความงมงายเนะนี่สําหรับคนที่อยากอยู่กับโลกนะพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะที่จะอยู่กับโลกอยู่กับโลกก็ต้องมีสติมีปัญญานะถ้าอยากพ้นโลกก็ทำมากกว่า น, นั้นหน่อยนะมีสติรู้กายตามความเป็นจริงมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้เรื่อยๆไป ถึงจุดหนึ่งได้เป็นพระโสดาพระสกทาคาอะไรก็ยังอยู่กับโลกได้ปกตินะสมัยพุทธกาลคาราวะาเป็นพระอริยะเยอะแยะไปบางท่านนะั้นได้รับยกย่องมากเลยว่าเก่งในทางสั่งสอนก็มีนะมีฤทธิเ์เยอะก็มนะีได้รับยกย่องไม่ต่างกับพระกอะไรเพียงแต่ไม่ถึงที่สุดเท่านั้นฉนั้นคาราวาะก็ทำได้นะ เพียแต่ว่าจะทำให้สะอาดหมดจดถึงพระอราหันเนี่ยทำได้ไหมได้เหมือนกันมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะบางท่านบนรรลุพระอราหารันทา่ทานที่ยังไม่ได้บวชแต่พอท่านบนรรลุแล้วท่านก็บวชไปอย่างพระนางเขมาพระนางเขมาเนี่เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนที่รั ก, รกสวยรักงามมากเลยนะชอบแต่เรื่องสวยๆงามๆวันนึงไม่ทำไรหรอก ก็นะมีเงินเยอะเนี่ยใช่ไหมเป็นเมียรพระเจ้าเป็นตินก็หกแต่งหน้าทา ป, ปากหาเครื่องประดับอะไรน้ําหอมน้ำเเผมนะพระเจ้าบิณฑสารึกถึงเมียเรานี่ไม่สนใจธรรมะเลยก็นะพยายามหลอกนะชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปไม่เอาได้ยินมาตลอดเลยว่าพระพุทธเจ้าตำํำหนิความสวยความงามชอบให้ดูปฏิกรสุภาอะไรเงี้ยนะไม่ยอมไป ท่านเป็นสามีที่ฉลาดมากเลยท่านไปจ้างนักดนตรีนักร้องอะ่ะมาแต่งเพลงนะชมวัดเวลุวันสวยอย่างโน้นงามอย่างนี้นะต้องถ้าเป็นแบบสมัยโบราณก็แบบหลอกให้เราขึ้นปูกระดึงอะ่ะเอาปูกระดึงสเสน่ห์ตรึงใจขึ้นไปแล้วแทบตาย <c oughs> <c oughs> หรือชมที่โน่นชมที่นี่นะไปดูเข้าจริงมาเห็นมันจะสวยใช่ไหมพวกเพลงมันก็แต่งไปนี่พระเจ้าพิมพิสารรู้ว่าเมียหลงโลก ท่านก็ให้คนแต่งเพลงนะชมบันเวรุวันสวยอย่างง้นงามยังงี้ยิ่งเดินลึกเข้าไปยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะ <c oughs> คนก็ไปร้องร้องเพระไม่เห็นสีได้ยินเพอยากดูพยายามไปสืบนะว่าพระพุทธเจ้าออกไปบินธบาตกี่โมง <c oughs> <c oughs> เราต้องไปตอนพระพุทธเจ้ามาอยู่ <c oughs> เสร็จแล้ววันนั้นสืบมาอย่างดีแล้วว่าพระพุทธเจ้าไปบินธบาแล้วก็มาเลยมาชมเข้ามาข้างหน้ามีแต่ต้นไผ่ ยังไม่ส ว, สวยสวยๆคงอยู่ข้างในนะ <laughs> ถูกหลอกและว <laughs> เหมือนที่พวกถูกมัณฑนาโมลากรุนหลอกไปขึ้นภูกระดึงสมัยโบราณข้าไปข้าไปนะไปถึงกุติพระพุทธเจ้า <laughs> จ้าเองวันนั้นท่านงดบินทบานหนึ่งวัน <laughs> <laughs> <laughs> ได้ฟังธรรมะนะได้ฟังธรรมะบรรล้พระอรหันต์บรรล้เลย <laughs> ท่านบรรล้แล้วเนี่ย เป็นอักขรสาวกด้วยอักรสาวิกาเทียบเท่าพภาษาลิบุตรนะงั้นนะอักขระสาวิกาแต่ไม่ใช่ความรู้เท่าภาษาริบุตร น, นะหมายถึงเลิศกว่าผู้หญิงทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าก็บอกพระเจ้าพิมพิสารนะบอกพระนางเขมาเนี่ยถึงที่สุดล้สิ่งที่คู่ควรกับพระนางเขมาเนี่ยมีสองอย่างนะ คือการปรินิพานในวันนี้หรือการออกบวชพระเจ้าพิมพิสารก็ยอมให้ไปบวชเนี่ยังไม่ฆราวาสผู้หญิงด้วยนะเป็นพระอราหันต์ได้ไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้นะฆราวาสก็ทําได้ฆราวาสผู้ชายก็มีนะอมหมาดสีหอมหมาดเมาเหล้าแล้วก็ดูอีนูเต้นระบำอีหนูหัวใจวายไปแกก็ยังเมาแอะแออยู่นั่นแหละกลุ้มใจมาหาพระเจ้า ฟังทำเป็นพระอราหันต์นะแล้วก็นิพพานวันนั้นเลยเพราะว่เมาเต็มที่งั้นฆราวาสก็ทำได้พวกเราอย่าดูถูกตัวเองศา ส, สนาพุทธจะตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ใช่เพราะพระนะศาสนาพุทธจะตั้งมั่นอยู่ได้ด้ว ย, วยเสาสี่เสาคือบริสัทสีภิกษภุกษภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตอนนี้ไม่มีภิกษุณีละ เหลือสามเสางั้นพวกเราทุกคนมีความสําคัญในตัวเองนะพวกเราอยู่บริษัทเดียวกันกับหลวงพ่อนะ <Yeah. S 1> บริษัทเดียวกันนะมีประธานบริษัทคือพระพุทธเจ้านะ <Yeah. S 1> นี้เราเป็นสาขาย่อย <Yeah. S 1> สาขาภิกษุอุบาสกอุบาสิกาทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง <Yeah. S 1> ให้สมกับเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธทั้งที ไม่ภาวนาน่าสงสารที่สุดเลยถ้าได้ฟังธรรมะแล้วนะรู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติเนี่เสียชาติเกิดบางคนนะดูอย่างรูทนี่เป็นฝรั่งนะพุดธไทยก็ไม่ได้ดูสิมาเรียนลำบากเขาลำบากนะเขายังพักเพียรพทกพวกเราสบายกว่าเขาตั้งเยอะใหญ่ขี้เกียจ น, นะขี้เกียจ น, นะอัปลักษณ์ที่สุดเลยเสียชาติเกิดจริงๆ แต่ถ้าคนไหนเขาไม่สนใจเราอย่าไปบอกเนานะอย่าไปบอกนะว่าเธอเสียชาติเกิดเดี๋ยวเราจะได้ไปเกิดอีกชาติ <c oughs> <c oughs> อา้าวต่อไปสวดกันบ้านคนอยู่วัดเชิญว่องไวเลยอย่าเสียเวลานะวันนี้มีโมหะอีกแคดค่ะกดไว้นิดหน่อยนะมีโมหะถูกต้องแะอต่อไปมัวค่ะมัวถูกก็เพ่งไม่ใช่มัวอย่างเดียวกลัวด้วย เพ่งน้อยกว่าเมื่อวานจ้าค่ะสบายขึ้นเจ้าค่ะเออก็ยังเพ่งอยู่อฟุ้งซ่านค่ะก็มีอะไรอีกแล้วก็ตื่นเต้นเลยค่ะออดูออกไหมกดเอาไว้ด้วยค่ะอ้าวก็พยายามดูคิดนะคะหลวงพ่อให้กันบ้างค่ะเห็นไหมหลวงคิดไปอะไรกี่ครั้งคิดหลายครั้งมากเช้านี้ก็มากกว่าสิบนะ มากกว่าสนะิบครั้งเนี่ยมากกว่าสิบนะสิบครั้งเนี่ยนาทีหนึ่งก็ได้แล้ว <c oughs> นาทีหนึ่งก็คิดเกินสิครั้งแล้วแวบวบแวบตลอดอะเราดูเขาทํางานไม่ใช่ห้ามเขานะเราดูจิตมันคิดจิตมันทําหน้าที่ของมันมันทำหน้าที่ของมันได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรออ่ะ <c oughs> ไปมัวค่ะตื่นเต้นค่ะ <c oughs> ตะมวาวันสว่างขึ้นนะค ะ, ะกดเอาไว้นะอ่ะเชิญยกมือ เอางี้ก่อนอ่ะเพื่อความยุติธรรมนะคนไหนยังไม่เคยส่งการบ้านเลยแล้วอยากส่งการบ้านช่วยยกไป mm hmm. เบอร์ยี่สิบนรัชการหลวงพ่อค่ะฝึกปฏิบัติมาได้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะก็ระยะแรกๆ ก, ก็เหมือนนานาปัจจุบันนี้นาทีนึงแว บ, บบ่อยมากเลยค่ะ อ, อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องต้องแก้ไขไมค่ะถูกแล้วละ่ะนะแต่ว่ามี วินัยในตัวเองทำสม่าเสมอไว้น ะ, ะแล้วก็อย่าหวังผลอย่ารีบร้อนใจมีความรีบร้อนเยอะไปหน่อยรู้สบายๆดูไปเรื่อยๆแต่ขยันดูน ะ, ะดีแล้วล่ว ะ, ล ะ, ะ เ, เรียนถามหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปปฏิบัติธรรมสมวันนะคะกลับมามันรู้สึกแปลกๆมันคล้ายๆได้ยินจิตไปคิดเป็นเสียงดังๆขึ้นมาเออไม่แปลกอ ะ, ะธรรมดา ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยจิตคิดเสียงดังธรรมดาบางทีไม่ใช่แค่นั้นนะบางทีมันเทศให้ฟังได้ด้วยนะะบางทีมันฉายภาพออกไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมานั่งเทศด้วยอย่างได้เลยคือมันแสดงให้เราดูเหรอคะออมันแสดงให้ดูแต่ว่าไม่ว่ามันจะแสดงอะไรนะมันก็แสดงใจรักอยู่ดีเลยเห็นไหมมันพูดได้เองมันเป็นไปเองวั่ยี่สิบหก นักบัศกานค่ะหลวงพ่ออยากทราบวิหารธรรมนะคะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจรู้สึกตัวอย่าน้อมใจให้นิ่งนะถ้าหายใจแล้วใจมันนิ่งเกินไปนะในชีวิตประจำวันนี้มารู้กายแทนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกบ่อยๆไม่จิ้งร่างกายหลวงพ่อครับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาอยากจะถามหลวงพ่อแต่เขาไม่กล้าถามเรื่องวิหารธรรมนะคะเขาไม่กล้าถามก็ช่างเขาสิ อ้าวว่าไปกาบนำมากาบนำมาสการหนูพ่อค่ะคือของหนูขออแค่ถามว่าที่ทําที่ปฏิบัติอยู่นี่ไม่ทราบหนูติดสมถะไหมคะหรือว่าไม่ค่อยติดหรอกใจฟุ้งซ่านมากกว่าหรอคะเราไม่ทราบว่าจะจะจะดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเลยของคุณดูจิตได้ง่ายดูไปเลยดูดูจิตไมได้ดูความรู้สึกไปลืมคําว่าดูจิตไปซะคําว่าดูจิตบางทีฟังแล้วงง ไอยรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราเนยรู้ไปได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าโกรธนี่ก็คือรู้ว่าโกรธแต่ไม่ต้องดูกายว่าเคลื่อนไหวยังไงอะไรอย่างนี้ใช่มันรู้เองแหละรู้เองใช่ไหมคะรู้อัตโนมัติค่ะขอบพระคุณค่ะไล่ยี่สบสี่กลัน้ำกันพ่อครับคือตอนนี้ใช้ดูลมหายใจแล้วก็ดูจิตเอาครับผมอย่าบังคับมันนะบังคับแรงไปรู้สสบาย เห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นจิตมันทำงานไปอย่า ก, กดให้นิ่งไปกดแล้วละ่ะไปดูแลนะอนะไรแก้ตรงที่มันเพ่งอะ่ะให้รู้สบายๆอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งข อ, นะของคุณตอนนี้มันติดนิ่งอเอาร้อยหส6บนี้ดีใจรู้ว่าดีใจเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอกราบสมประการหลวงพ่อค่ะ หนูส่งการบ้านที่หลวงพ่อให้ไปดูโทรศัค่ะโอหนูเห็นว่าหนูโกรธค่ะแล้วก็พอพอจะเดินออกจะมาว่าแฟนแล้วมันก็หันไปมันก็ดับเลยค่ะเนอแล้วทนันว่าไหมไม่ได้ว่าคะ่ะแล้วก็รู้สึก<ด>เราต้องรู้สึกเราน่ารักขึ้น <c oughs> <c oughs> ดูไปดูไปได้เลยนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันสังเกตไหมใจเรามีความสุขมากขึ้นค่ะใจเราโปร่งใจเราสบายขึ้นค่ะ ถามแฟนดูสิว่าสวยขึ้นไหม <S <S <S <S รู้สึกไหมหน้าตาดูดีขึ้นหลวงพ่อคะแล้วหนูทําอย่างนี้ถูกไหมคะถูกดูบ่อยๆนะแล้วอย่าสนใจคนอื่นเราดูใจเราไปเรื่อยๆและที่หนูเห็นว่ามันจิตมันอยูไ่ไปออกไปอยู่ข้างนอกมันมันจริงไหมคะใช่มันหนีไปคือยู่ข้างนอกให้รู้ทันอย่างนั้นแหละค่ะจิตมันไม่เข้าฐานมันไม่เข้าบ้านานะรู้นี่ดูเป็นเห็นไหมจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่เข้าบ้านก็รู้ใช้ได้ ระวังไว้อันหนึ่งนะอย่าเที่ยวสอนธรรมะใครเดี๋ยวต่อไปใจจะฝุกซ่านอยากสอนคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆขอการาบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะดูของเราอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนี่การบ้านนะสี่สิบหกขอบคุณค่ะอาว่าไปกาบมากา ร, การหลวงพ่อค่ะคือหนูอยากถามขอคำแนะนำนะคะที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือเปล่าดูให้สบายๆนะค่ะ เราบังคับใจเรามากไปหน่อยดูความรู้สึกที่เคลื่อนไหวดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเครื่องอยู่หางานมาทำงานบ้านอ่ะดีที่สุดเลยทำงานบ้านไปรู้ทันใจไปทางานบ้านไปรู้ทันใจไปเช่นเราทำไปแล้วคนอื่นมาทำรกเราโมโหรู้ว่าโมโหคุณภาวนาไม่ยากหรอกคุณขี้โมโหว่าังไงพูดไม่ออกไปเลยคือขอขอการบ้านนี่ไงให้แล้ว ไปหางานที่บ้านอะไรจทำเป็นกันบ้านนะ <c oughs> ทำงานไปแล้วก็รู้ทันใจของเราไปนะ <c oughs> ไม่ว่าทำอะไรเราก็คอยรู้ทันใจให้เราบ่อย ๆ, <c oughs> ๆขอบคุณภาวนาไม่ยากหรอก <c oughs> เบอร์ส9ก้ากรนมัสการหลงพ่อค่ะคือหนูฝึกปฏิบัติธรรมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอยากจะถามว่าต้องมีการปรับปรุงหรือว่าอะไรยังไงบ้างค่ะรู้ไปสบายๆนะ รู้ไปสบายดูกายนี่เหมือนเราเห็นคนอื่นดูใจนี่เหมือนเป็นใจคนอื่นดูเ้าทํางานอย่างตอนนี้ใจลอยไปทราบไหมดูเหมือนดูคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นใจลอยอะเราเห็นคนอื่นใจลอยเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมเราเห็นคนอื่นโลภเป็นคนอื่นโกรธเราก็ไม่เกี่ยวเราเป็นแค่คนดูเพราะฉั้นใจเราเป็นยังไงเราก็แค่ดูเท่านั้นเองเอย่าตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจหนีไปคิดเราก็รู้เอานะ แล้ววิหารธรรมของหนูคือดูดูอารมณ์ไปเรื่อยใช่ดูอารมณ์ไป เ, นะเรื่อยนะเบอร์เก้าอยู่ข้างหน้านมสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะใจเป็นธรรมชาติไหมตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมั่นใจไม่เป็นน ะ, ะเราไปประคับประคองไปทำให้มันนุ่มนวลไปทำให้มันดูดีดูดออกไหม<ะ>ตัวจริงไม่ได้นิ่งอย่างนี้รู้สึกไหม งั้เราอย่าไปดัดแปลงมันนะให้เรารู้ตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติบอกให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะ ร, ารู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นล้วเราไม่ไปประคองใจให้นิ่มนวนให้อะไรงี้ไม่ต้อง <Okay. S 1> ขนณะนี้มันนิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมตัวจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้นึกออกไหมขณะนี้ไม่ใช่ตัวจริง <Okay. S 1> อา้าวว่าไปก็ God. ได้ได้เริ่มฟังธรรมจากซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ1ปีะคะแล้วก็พยายามาก็บางทีก็สบายๆเพื่อจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอามาใช้ได้นั่นแหละดีแล้วค่<น>ะแต่รู้สึกไม่มั่นใจอะค่ะคิดฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตใจก็มีความสุขมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปดูออกั้มดูออกนี่เพียงแต่หลวงพ่อสอนต่อยอดให้ว่าขณะที่คุยกับหลวงพ่อเราสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างให้ดูอ่อนโยนนุ่มนวลกว่าความเป็นจริง ดูออกไหมเนี่ยแต่ละวันแต่ละเวลาเวลาเราสัมผัสกับคนอื่นเราจะสร้างเปลือกที่แตกต่างกันขึ้นมารเราคุยกับคนนี้เราก็มีเปลือกแบบนี้คุยกับคนนี้เรามีเปลือกแบบนี้อันนี้เป็นทุกคนนะไม่ได้ว่าคุณเป็นคนหลายหน้านะไม่ใช่นะ <c oughs> เป็นทุกคนแหละ <c oughs> แต่ว่าที่ภาวนามานะี่ยมันใช้ได้แล้วหลวงพ่อกําลังจะต่อยอดให้เห็นว่าจิตเราเนี้ยแอบสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเวลามาคุยกับหลวงพ่อเราก็สร้างพพเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักนิ่มนวล น, นิ่มนวลอย่างเงี้ย <c oughs> จะเจอกับคนนี้เราก็พบหน้าเป็นยักษ์เป็นมารอะไรเงี้ยนะน่นเราคอยดูคอยรู้ทันความปรุงแต่งของใจเราไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่นาดีแล้วละ่ะก็คือให้ให้รู้ให้รู้ทันให้รูร้ร ท, รทันความรู้สึกทั้งหลายาที่เกิดขึ้นน ะ, ะแล้วถ้าใจเราไปติดไปคล้องไปยึดไปถืออยู่ตรงไหนเราก็รู้ทันอย่างที่หลวงพ่อบอกตอนนี้เมื่อกี้หลุดออกมาจากตะกี้แล้วรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันดูออกไหมก็ เหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองอะค่ะแล้วง<า> <คะ S 1> ั้นจงมั่นใจค่ะจงมีความมั่นใจเสีนที่ภาวนาอยู่นั้นถูกแล้วอะ<ค>ไปดูเอานะไปดูเอา<ค>อ้าวเชิญยกมือต่อร้อยสี่สิบแปดคนนี้ถามอะไรอีกแล้วคนนี้ถามบ่อยนี่วะเฮ้ยกรรมฐานมันไม่เปลี่ยนรายวันเนาะนะจากให้หลวงพ่อช่วยสั่งสอนหน่อยครับ ก็ภาวนามก็ดีขึ้นแล้วล่ะไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะมันไม่ได้ดีอย่างใจหรอกนะแต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปดูไปที่ฝึกอยู่ดีแล้ ว, ลวใจก็โล่งขึ้นโลง่ลงขึ้นรู้สึกไหมผมควรจะดูกายหรือดูจิตเี่ยครับมีอะไรให้ดูด่วนั้นละ92เมื่อ92มัสการหลวงพ่อคะ่ะคือปฏิบัติตอนนี้เห็นเวลา ภามากระทบอะค่ะตาเห็นหรือหูได้ยินก็จะเห็นว่ามีสัญญาเข้ามาแล<ช>้วก็เกิดความปรุงแต่งขึ้นมาค่ะแต่ว่าอย่างเวทนาตัณหาที่เคยอ่านเจอว่าเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเห็นบ้างไม่เห็นบ้างค่ะเวทนานะมีสามัญ น, นะที่เกิดจากจิตมีสุขแล้มีทุกข์มีเฉยเฉยค่ะบางดวงก็เฉยเฉยเพรเฉยๆแล้วนึกว่าไม่มีเวทนาค่ะและ้วอะไรอีกตัว ตัณหาจะถ้าดูต่อไปจะเห็นตัณหาอุปทานพบชาติเลยหรือเปล่าคะดูเป็นเพราเห็นสิเวลาที่ตาเรากระทบะพอตาเรากระทบนี่นะมันเกิดเวทนาขึ้นมาเนะช่นพอเราเห็นอันนี้สวยๆใจเราก็มีความสุขขึ้นมานะไปเห็นของสวยของงามจิตใจมีความสุขไปฟังเสียงที่เพรอะๆจิตใจมีความสุข ตรงนี้ก็มีกระบวนการในรายละเอียดอีกเยอะนะอย่างตรงที่ตามองเห็นเนี่ยควาที่จะเกิดความสุขมีขั้นตอนมีกระบวนการนี่พอเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสมันแทรกพอมีโสมมัมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยนะราคะก็แทรกพอมีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็แทรกพอจับไม่ออกว่าสุขหรือทุกข์นะใจก็หมุนไปหมุนมาจับไม่ถูกเป็นโมหะ เพราะนั้นเวลาเกิดเวทนาขึ้นแล้วเนี่ยกิเลสมันจะแทรกตัวอยู่กับเวทนาเนะ<ม>พราะกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยตัณหาก็จะทํางานเช่นมันมีราคาเกิดขึ้นมันก็อยากที่จะดึงเอาไว้เวลามีโทสะเกิดขึ้นก็อยากจะผลักออกไปนะเกิดตัณหาขึ้นมาพอมีตัณหาขึ้นมานะใจจะเข้าไปจับอารมณนะ์ตรงเนี้มันจะเร็วมากรู้สึกไหมพอมีความอยากปุ๊บใจจะกระโดดตะครุบปั๊บนะี ตรงที่ใจกระโดดไปตะครุบเนี่ยเรียกว่าอุ ป, ปาทานนะพอมันตะครุบขึ้นมาแล้วมันมีการทํางานทางใจรู้สึกไหมมีการทํางานทางใจเช่นดิน่นลุกคลิกลุก ค, ก ค, กคิกขึ้นมาการทํางานทางใจเรียกว่าพบนะทันทีที่มีพบขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะหยิบช่วยเอาขันห้าขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าขันห้าเป็นเราขันห้ามีอยู่ก่อนแนละ้นะเพราะมีขันห้าถึงได้มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ พอมีอายตนะถึงมีผัสสะมีภาษาถึงมีเวทนาเห็นไหมมีเวทนาแล้วกิเลสแทรกก็เกิดตัณหาตัณหาเกิดแล้วจิตก็มีอุปาทานเข้าไปยึดไว้จิตเกิดการทํางานเรียกว่าภพครั้งนี้มันไปหยิบฉวยเอาขันขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วไปได้ม า, า, าเชื่ออายตนะเรียกว่าชาติ oh. ทันทีที่กว่าเอากายเอาใจมาหยิบถือไว้เนี่ยทกุก็เกิดทันทีเลยเพราะตัวกายตัวใจนี่เป็นตัวทุกข์ เราไปหยิบเวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาแเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยถ้าไม่หยิบเวยขันห้าก็เป็นทุกข์นะรูปนามก็เป็นทุกข์แต่เราไม่ได้หยิบเวยก็ไม่เป็นไรอย่างพระลราหันเนี่ยขันห้างก็ยังเป็นทุกข์นะมีเมตนามีอะไรมีทั้งนั้นแหละแต่ไม่หยิบเวยไม่ทุกข์ของเราพอหยิบเวยเราทุกข์ดูออกไหมใจปิยุทธอะไรเข้าใจทุกข์ทุกทีเลย oh, <yeah. S 2> ดูไปได้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วห้ mm hmm. ามคิดมากนะ หลวงพ่อค่ะแล้วจะถามเกี่ยวกับอาการที่มีอ่าไหวอยู่กลางอกอะค่ะเออนั่นแหละดูไปเวลารู้ไหวๆที่กลางอกอย่าถลําลงไปมันคือความปรุงแต่งของจิตมันไปปฏิบัติกลับมาแล้วมันมันเห็นชัดขึ้นเงี้ยก็ดีสิสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นอย่างถ้าเกิดหนูเดินไปใกล้นาฬิกาเสียงดังติ๊กติ๊กต๊ใจมันไหวๆแล้วหนูควรจะแบบว่าเอาสมาธิลงไปตรงนั้นหรือว่าไม่ไม่ไม่ก็รู้ตัวว่าถลําลงไปหรือเปล่าเอารู้ว่าถลําลงไป แล้วก็จะไปผัสสะข้างนอกอะไรก็ช่างก็ดูไปอะไรก็ได้นะตาแค่กระพริบตาจิตก็ไหวด้วยออกไหมค่ะกระพริบตาเนี้ยจิตก็ไหวแป๊บละไห้รู้ก็ไหวตามเสียงหลวงพ่ออตากระทบจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวเห็นไหมใจคิดจิตก็ไหวถ้าจิตไหวขึ้นมาก็ให้สักว่ารู้ว่าเห็นอย่าถลำลงไปยุ่งกับมันถ้าใจไหลลงไปก็รู้ว่าไหลลงไปถ้าถลำลงไปก็รู้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าดึงขึ้นมา ถ้าขึ้นมาก็ให้มันขึ้นเองคล้ายๆกับเราดูว่าเราเพ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ก็ถล่มลงไปเวลาอยากรู้ชัดๆเนี่ยถล่มลงไปเพง่งตอนเนี้เพ่งละ <c oughs> หลวงพ่อเคเห็นไหวๆเนะี่ยเห็นอยู่เป็นเดือนเลยเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนนะเห็นทั้งหลับเห็นทั้งตื่นไม่รู้มันเห็นเข้าไปได้ไงคือสติมันเร็วมากเลยเห็นจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกนะไม่รู้จะทํายังไงดีละ แต่เดิมเวลาเห็นสภาวะนะั้นมันจะขาดสะ บ, บั้นไปหมดเลยอ น, นี่ไหวๆๆๆอยู่ไม่ขาดนะ mm hmm. ขึ้นไปหาหลวงพ่อพุทธนะท่านก็พยายามแก้ให้ที่วัดป่าสารวันนะท่านเทศ่ๆจนท่านเหนื่อยเลยนะก็แก้ไม่ตกท่านบอกว่าจิตพอภาวนาถึงขั้นละเอียดนะั้นเหลือแต่ไหวๆเหลือยิบๆอย่างเงี้ยกลับมาบ้านนะโอ้แก้ไม่ตกนะไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะท่านเก่งแต่ว่าจิตเราตอนนั้นยังรับธรรมะอันนี้ไม่ได้ยอมรับไม่ได้ที่มันจะไหวอ ย, อยู่อย่างเงี้ยอึดอัด ท, ทุกเห็นแต่ทุกเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัวนะเล่าให้ท่านฟังท่านก็ตอบมาบอกเราเพิ่งไปทําตามาใหม่ไม่ผ่าต้อเราเพิ่งไปทําตาใหม่เอาหนังสือไปอ่านเองส่งหนังสือมาให้เล่มแค่นี้นทําเตรียมพร้อม <c oughs> เห็นก็กลัวละอ่านหนังสือโอ้โหจะถามท่านประโยคเดียวนะท่านให้อ่านหนังสือทั้งเล่มหนึ่งเรากลัวหนังสือมากเลย ก็ท่านให้มาแล้วก็เอามากราบท่านนะนึกถึงท่านโอ้ขอบคุณท่านให้เราหยิบมาพลิกนะปุบออกมาหน้านั้ น, น, นเลยนะเรื่องที่มันไหวยิบยับเนี่ยอา้าวท่านสอนเหมือนที่หลวงพ่อพุดพูดเปียบเลยนะบอกการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดแล้วเหลือแต่ยิบยับยิบยัเท่านั้นนะเองเอ๊แล้วเราทำไงดีเราแก้ไม่ตกเราผ่านมันไม่ได้เหนื่อยแสนเหนื่อยนะบอกกับจิตคาสติคาสติเถอะ ขอไม่ดูสักวันได้ไหมขอขาดสติสักวันมันไม่ยอมนะสติมันอัตโนมัติหมดเลยมันไม่มียอมแล้วตอนนั้นเราก็เหนื่อยแสนเหนื่อยนะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเครียดมากเลยดูเสถียรเครียดเลยเอาแล้วว่าวันนี้ทําสมถะก็แล้วกันแต่เดิมก็ทําอานาปนาสตินะทํามาแต่เด็กพอมาเจริญปัญญาเนี่ยแล้วลืมสมถะไปมวัวแต่ลุยเจริญปัญญาลูกเดียวเลยครูบาอาจารย์ท่านก็เล่า อย่าอาจารย์มหาบัวนะไม่ใช่เทียบท่านนะหมายถึงท่านเป็นแบบอย่างของนักปฏิบัติท่านก็เล่าว่าช่วงที่ท่านทําสมถนะน้ะมันก็ติดติดแต่สมถะช่วงที่มันเดินปัญญานะั้นมันจะเอาแต่ปัญญาไม่ทําสมถะเป็นแบบเนี้ยใจที่มันเดินปัญญานะั้นมันสนุกกับการเดินปัญญามันไม่ยอมทาความสงบเข้ามาวันนั้นนั่นลึกขึ้นมาได้ทําสมถะสักทีก็แล้วกันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหายใจออกนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งก็ห ล, ลักรูปสิทธิท่านพอลีมีแถบนับด้วย พุทโนับสองนับไปถึง28ปกติท่านให้นับแค่สิบนะแล้วก็นับถอยหลังไล่ขึ้นไล่ ล, ลงแบบปล่อยจรวดนะเรานับไปเรื่อยๆพานับไปถึง28ครั้งนะใจรวมเข้ามานะสงบพอใจถอยขึ้นมาจากสมาธินะไปรู้นะมันขาดออกไปเลยนะขาดออกไปใจรู้สึกเหมือนลองวิเกเอนเลยใจปล่อยจากสภาวะที่ไปจ่อจ้องอยู่มันเป็นสภาวะที่จิตไปจ่อจ้องอยู่ ไม่จะใช้สักไงรู้สึกไหมมันเป็นคําว่าจ่อแล้วมันจ้องอยู่มันไม่ยอมคลาดจากกันเลยพอทําความสงบเข้ามานะมันมันตัดวงจรนี่ไปได้พักผ่อนแต่ไปพอมันเห็นนะมันเห็นอยู่โน่นนะใจอยู่ต่างหากอันนี้ยมันถึงจะผ่านได้ไปภาวนาเอาที่ภาวนาดีแล้วล่ะหลวงพ่อคะบางทีเค้นเค้นให้มันไหวนี่มีไหมคะมีมีอยากเค้นให้ไหวก็มีอย่าไปทํามันถ้ามันไหวก็มันก็ทุกข์โดยตัวของมันเองแล้วยังไปทรมานมันอีก รู้แบบไม่ตั้งใจรู้ไปก่อนใช่ไหมคะรู้แบบรู้โดยบังเอิญรู้รู้ไปไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจรู้ไปก่อนรู้โดยไม่ต้องตั้งใจไปเรื่อยๆไปบ่อยๆนะไม่มีคําว่าไปก่อนหรอกเพราะสมัยไหนก็เหมือนกันหมดแหละค่ะขอบคุณค่ะพาวนาดีนะพาวนาใช้ได้เลยพาวนาได้ละเอียดเจ็ดสิบสองกราบนวัศการหลวงพ่อครับคือผมอยากถามว่าที่รู้สึก อยู่ทุกๆวันเนี่ยรู้สึกถูกป่ครับตอนนี้รู้สึกยังไงบอกหลวงพ่อก่อนกดๆไว้ครับเออกดไว้ที่รู้อยู่รู้ถูกแล้วนะแต่ใจไม่ค่อยจะตั้งมั่นครับใช่คือเหมือนมันต้องเจอผัสสะแรงๆถึงจะรู้สึกได้ครับธรรมดาเป็นปกติคือเหมือนทุกๆวันมันไม่ค่อยมีแรงทำยังไงให้มีแรงขึ้นครับทำในรูปแบบไหมนะเช่น ไปพุโทโธพุโทโธไปรแล้วใจเราเคลื่อนไหวเราเ ค, คอยรู้ทันเคยทำพุโทโธแล้วมันเหมือนแบบใจมันไปกดกดไวครับแล้วกดแล้วรู้ทันว่าใจไปกดนะหรือเดินจงกรมก็ได้ครับเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วเห็นจิตมันคิดครับนะเดินรู้กายเดินรู้ใจนั่นแหละที่เพิ่อส่งการบ้านเสร็จใหม่หมสๆสดๆร่าๆนั่นแหละเพ่งเรียบร้อยแล้วครับครับขอบมากครับหลวงพอ่อ ไปไปพุทธโทรหรือไปอะไรไหน้าแล้วคอยรู้ทันจิตบ่อย ๆ, ๆจิตมันไม่มีแรงครับครับดสิบ <10 S 2> ค่ะกรบาบนมำสศการหลวงพ่อค่ะก็ลูกก็ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามมาได้สักพักหนึ่งอะค่ะก็อยากเล่นถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องไหมคะถูกแล้วล่ะถูกเพนขณะนี้จิตเป็นไงก็รู้สึกจะกดเอาไว้ค่ะใช้ได้นะ แล้วเคยระวังอันหนึ่งจิตมันพอมันโล่งๆว่างๆแล้วถ้าเราพอใจขึ้นมาให้รู้ทันนะะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันติดในความนิ่งความว่างไปมีแล้วก็มีอย่างลูกเห็นสภาวะหนึ่งที่มีพิการยาณมิตรเคยบอกว่าอนุสัยเดิมของลูกอะ่ะใจมันชอบจะติดอยู่กับความเศร้าอย่างเงี้ยค่ะมไม่ค่อยติดแล้วเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ลูกก็เห็นว่า มีอยู่ครั้งนึงลูกเห็นว่าใจมันเศร้าอะค่ะแต่ลูกไม่ได้เศร้าเออมันต้องภานาเพราะต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้ถูกต้องแล <ใจ S 1> <ช>้วใช่ไหมใจมันเศร้าเราไม่เศร้านะ ใ, ใจมันโกรธเราไม่โกรธร่างกายมันแก่เราไม่เกี่ยวนะร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายเราไม่เกี่ยวค่ะจิตมันจะสุขจิตมันจะทุกข์เราก็ไม่เกี่ยวที่ลูกเห็นนี่ก็คือถูกต้องแล้วเห็นถูกนะแต่อย่าพยายามเห็นอย่างนั้นอีกค่ะถ้าเห็นก็เห็นเอง ถ้าจงใจจะเห็นจะเป็นของปลอมัมนเห็นไปเองครั้งเดียวค่ะแล้วก็ไม่เห็นอีกไม่เห็นอีกก็ช่างมันค่ะเดี๋ยววันหลังก็เห็นทั้งวันจนเบื่อไปเองแล้วก็ก็กลับขอกันบ้านต่อค่ะไปทําต่อนั่นแหละไปเดินนะเดินจงกรมอย่าทิ้งนะพยายามเคลื่อนไหวไว้ถ้าที่บ้านไม่มีที่เดินจงกรมยาวๆก็ทํางานบ้านไปกวัดบ้านไปอะไรเงี้ยถูบ้านไปดูกายมันทางานไปด้วยใจจะได้มีแรง ดูจิตอย่างเดียวไม่มีแรงนะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอมาภาวนาแล้วลูกทํางานบ้านอย่างมีความสุขขึ้นนะคะใช่ทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดบ้านแล้วเหรอเราจะรู้สึกงั้นเหมือนพระบางหลวงนะกว่าาดวัดทั้งวัดเลยค่ะกวาดไปท้ายวัดและใบไม้ข้างหน้าวัดตกแล้วขกวาดกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะกวาดทั้งวันกวาดกิเลสค่ะขอบพระคุณค่ะร้อปดสิ กับนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะว่างไรลูกอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําสภาวะธรรมอะค่ะเพราะปกตินี่จะไปทางสายยุบหนอกคองหนออะค่ะฝึกอะไรก็ได้นะให้มันรู้สึกตัวไว้ค่ะอย่างเราดูท้องพองยุบเนี่ยมันดูได้หลายแบบอันหนึ่งดูท้องพองยุบอยู่ใจลอยไปที่อื่นไม่รู้ว่าหลงไปแล้วใช้ไม่ได้ อันที่สองดูท้องพองยุบนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตไม่คลาดเคลื่อนไปเลยได้สมถะอีกอันหนึ่งเห็นท้องพองยุบอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นร่างกายพองร่างกายยุบมันเห็นคนอื่นนะอันนี้ใช้ได้เดินปัญญาเห็นกายอีกอันหนึ่งดูท้องพองยุบอยู่จิตไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิดเป็นยังไงก็รู้อันนี้ก็ใช้ได้รู้ทันจิตอยู่ไม่กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีกว่ากันหรอก อยู่ที่ว่าเราทำถูกไหมถ้าเราไปเพ่งใส่มันก็เฉยเฉยถ้าเราลืมมันไปก็ใช้ไม่ได้ถ้าเรารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นมันก็ใช้ได้ไปดูเอานะดูสบายสบายแล้วหลวงพ่อแนะนําจริตของลูกได้ไหมเจ้าคะ่ะดูดูดูไปนใจของเรามันเครียดขึ้นมาเราก็รู้เอานะใจมันไม่สบายก็รู้เอาของคุณนะอย่าทิ้งร่างกายนะดูกายไปด้วยแล้วอย่างที่ดูจิตอยู่ นี่ใช้ได้ไหมเจ้าคะดูได้แต่ว่าใจมันดูแบบโหดร้ายไปนิดนึงแบบเจอไม่ดีเจอทุกข์เจออะไรนะั้นมันยังไม่ค่อยเป็นกลางเพราะว่าฟังซีดีแล้วพอมาดูจิตตัวเองแล้วมันเหมือนมันมองอะไรไม่เห็นเลยอะคะ่ะนั่นแหละมันไม่เหมาะกันนะไปดุกรายบ่อยๆเราเราเคยเพ่งเราเคยเพ่งมาเวลามาดูจิตแล้วเราไปจ้องใส่มันปึก๊กเนี่มันเครียดเครียดขึ้นมาเฉยๆแล้วอย่างถ้าคาะว่านั่งแล้วดูเวทนาไปด้วยคะเวลานั่งแล้วมันปวดอย่างเงี้ยคะ่ะ ดูง่ายๆเลยนะเวลานั่งอยู่ทีแรกยังไม่ปวดใช่ไหแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งดูไปเรื่อยๆความปวดก็เกิดขึ้นเราก็เห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาความปวดกับกายเนี่ยคนละอันกันดูอย่างนี้นะความปวดกับกายคนละอันกันแล้วดูไปอีกจิตซึ่งเป็นคนไปรู้่ก็ไม่ใช่ความปวดใช่ไหมจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่กายก็แยกออกมา อ, กอีกอันหนึ่ง พอมันปวดมากขึ้นก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความกระสับกระสายเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาความหงุดหงิดก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าก็ไม่ใช่จิตอีกะเราค่อยๆแยกไปในที่สุดขันมันจะแยกออกไปกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่ละคนแต่ละคนแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาไปแต่ละอันไม่มีตัวเรา จะดูไปเร้่จะเห็นว่าไม่มีเรากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเวทนานก็ไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์โลภโกรธหลงอะไรไม่ใช่เราทั้งนั้น <Okay. S 1> ไปดูสบายๆนะดูไป <Okay. S 1> เราติดเพ่งมาก่อนเวลามาเพ่งๆมาแล้วมาดูจิตเนี่ยมันจะนิ่งเกินเพราะฉะั้นเวลาคนดูจิตเนี่ยท่านถึงบอกว่าเหมอกับมีปัสนาญาณิกถ้าเราไปเพ่งมาก่อนเนี่ยมันกลายเป็นพวกสมถะยานิกมาดูจิตแล้วจิตมันจะนิ่งลูกเดียวเลย แล่นเราก็ดูกายไปก่อนนะดูกายเห็นกายทํางานไปเห็นกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูต่อไปก็เห็นเวทนาต่อไปก็เห็นจิตขึ้นมาทีหลังนะมันจะเห็นทั้งหมดเลยเบอร์สี่สิบแปดการมาารดกหลงพ่อค่ะหนูฝึกปฏิบัติมาหลายปีแล้วเฮ้หลงพ่อ ว, ว่าไม่ได้ลำเอยียงนะทําไมมีแต่ผู้หญิงถาม <laughs> แสดงว่าผู้หญิงยกเก่งเลยนะเอา่าวไป ที่ทํามาพอจะใช้ได้ไหมคะใช้ได้แล้วไงอีกอ่ะไม่มีแล้วฮะต้องการ<บ>แค่นี้เหรอมากกว่านี้ไม่ถามต่อแล้ว <c oughs> ว่าทําไงจะดีกว่านี้อีกนิดนึงให้รู้นะรู้อย่างเป็นกลางลรู้รู้สม่ําเสมอด้วยสม่ําเสมอแล้วที่หนูเห็นความไม่เป็นกลางหรือว่าเห็นความรักตัวเองเนี่ยค่ะเห็นตัวเองสร้างภาพมีเห็นใช่จริงหรือเปล่าคะหรือว่าจริงหนอริง ถ้าเวลาคิดนะมันจะคิดเข้าข้างตัวเองไม่ค่อยเห็นหรอกว่าเราแย่เวลาเห็นจริงๆนะเห็นแต่เรื่องแย่ๆนะเรื่องดีไม่ค่อยมีหรอกดูไปเลยนะร้อยสี่สิบสองน้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อกี้เห็นประคองนิดๆตอนนี้ยังเบาลงกว่าเมื่อกี้หนออ่อยเจ้าค่ะตอนนี้ประคองหน่อยๆค่ะแล้วก็มีเพ่งนิดๆด้วยเจ้าค่ะ ส่วนใหญ่ที่เป็ิบาดเนี่ยดูใ ห, ให้ทันนะอย่างเนี้ยใจไหลไปคิดแวบนบ ะ, ะถ้ารู้ทั น, นใจไม่ถึงฐานดูออกไหมถ้ารู้ทันใจที่ไม่ถึงฐานก็ใช้ได้ละหลวงพ่อเจ้าคะแล้วปกติจะดูตามการเคลื่อนไหวอะค่ะแล้วทีนี้เวลานั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมจะมีความรู้สึกว่ามันเพ่งแล้วมันจะแน่นๆอยู่ที่กลางอกอเดินไปสักพักแล้วมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ เบาลงแล้วก็กลับมาแน่นขึ้นอีกอย่างเงี้<พ>ยเจ้าค่ะเราไม่ได้ฝึกให้หายแน่นหรอกนะเจ้าค่ะมันแน่นขึ้นมาเพราะเราไปบังคับตัวเองเข้าเจ้าค่ะเราก็รู้ทันว่าเนี่ยโลภนะไปบังคับมันเข้าอยากปฏิบัติถ้ารู้ตั้งแต่ต้นทางเห็นใจที่อยากปฏิบัตินะีมันก็ไม่บังคับเมื่อไม่บังคับมันก็ไม่แน่นอยากปฏิบัตินะั้นเป็นกิเลสไปบังคับตัวเองนะัเป็นการกระทํากรรมแน่นขึ้นมาเป็นวิบากนะนั้นถ้าเราไม่ทําต้นทางรู้ทันกิเลส มันก็ไม่แน่นหรอกถ้ามันแน่นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นวิบากวิบากนะ่ต้องรับเอ า, เ, อาเบอร์เก้าสิบสามคุณดำเกิงหลวงพ่อว่าจะหนังสือของคุณดำเกิงไปพิมพ์นี่คุณสุเมต ร, รู้นะอาสาเอาไปแล้วเดี๋ยวจะส่งอันนี้เพิ่มไปเขียนดีนะคุณดำเกิงเขียนเรื่องเจ้าคุณหนอ ทีแรกมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนเรียนกรรมฐานกับเจ้าคุณนอท่านสอนอยังไงบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินเลยเรารู้เรื่องเจ้าคุณนอเนะืรู้ผิวเผินไม่เคยรู้ธรรมะของท่านนี่คุณนําเกิงเคยบวชอยู่กับท่านเรียนกรรมฐานอยู่กับท่านน่าฟังมาฟังเล่าให้หลวงพ่อฟังทีละนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยนะเราไม่พอโลภหนอโลภหนอเลยบอกคุณนําเกิงว่าช่วยไปเขียนมาทีได้ไหม นะี่คุณดำเกิือไปเขียนมาเราก็นั่งอ่านด้วยความชื่นชมอยู่คนเดียวหลายปีแล้วนะอ่านไปอ่านมาเนี่ยแล้ให้คนอื่นอ่านบ้างดีกว่าท่านเจ้าคุณน อ, อเป็นพระที่น่าสนใจมากท่านเป็นคนกรุงเทพนะท่านเกิดในกรุงเทพเกิดโตในกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพเรียนอยู่รัศดาจุฬานี่แหละนะเรียนอยู่กรุงเทพแล้วก็มาทํางานในกรุงเทพนะแล้วเป็นใหญ่เป็นโตถึงระดับองคคมอนตรีนะนะเสร็จแล้วท่านก็ออกบวช บวชแล้วท่านก็ไม่ไปไหนท่านก็อยู่ในวัดของท่านนะปรากฏว่าท่านภาวนาได้หาตัวจับยากมากเลยภาวนานี้ไม่ได้เป็นรองใครเลยธรรมะของท่านก็เฉียบขาดมากเลยฟังแล้วโอ้ยสะใจหนะลวงพ่อทึ่งท่านตั้งแต่ประโยคเคยอ่านเจอว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงโอ้ยสะใจนะเดี๋ยวหนังสือออกมาแล้วก็ได้อ่านนะจะได้ช่วยกันสะใจ อยาจะสาบแบบว่ารู้ภาวําไม่เป็นผมไม่สาอ้าเบอร์อะไรเมื่อกี้นี้ครับกาบนมสัส ก, การหลวงพ่อครับเ<ป>ขาการถามครับเมื่อช่วงเช้าครับได้ฟังหลวงพ่อเทศเรื่อง เ, ออเกี่ยวกับติดความว่างะครับก็เกิดสงสัยขึ้นมาครับก็คือว่าตอนตอนนี้ที่ผมปฏิบัติอยู่เนี่ยก็จะใช้วิธีดูจิตว่าเมีอะไรผุดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตัด พอตัดแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่กับว่างๆก็เลยสงสัยว่าถ้ามันว่างนะยังไม่ใช่ปัญหาแต่พอว่างแล้วเรายินดีพอใจในว่างนี่แหละคือปัญหาจะเป็นพบทันทีเลยเพราะจิตมีราคะแทรกมีตัณหาแทรกงั้นเราพาวนาล้วใจเราว่างโดยที่เราไม่ได้ประคับประคองไว้ไม่ได้ยินดีที่จะอยู่ในว่างหลุดออกมาจากว่างเมื่อไหร่ก็ได้ว่างก็ได้ไม่ว่างก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าต้องว่างต้องว่างเสมอ ว่างตลอดว่างแล้วดีว่างแล้วเป็นพระอราหารันเนี่ยนี่เราคือปัญหานะแล้วที่ทําถูกที่ที่ทําอยู่นี่ถูกไหมครับถูกนะแต่จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมตอนนี้ไม่ตั้งครับตอนนี้ไม่ตั้งใช่ไหมดูออกใช่ไหมดีจิตยังไม่ค่อยมีแรงนะไปทาในรูปแบบการทําในรูปแบบเช่นไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี้ยจะทําให้เรามีแรงมากขึ้นบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ทําสมถะไม่ใช่นะ ล yeah. ูกศิษหลวงพ่อก็ต้องทําสมถะแต่บางคนที่บอกว่าให้งดไปก่อนเพราะติดสมถะมาไปฝึกสมถะแบบเพียเพ้ยนเพียนมาเห็นโน้นเห็นนี่ฝึกแล้วนิ่งฝึกแล้วทือฝึกแล้วหมดสติอะไรเงี้ยต้องเลิกไปก่อนพอมหาหัดเจริญสติเป็นมีสติแล้วเนี่ยก็ทําสมถะได้ควรทําด้วยเพราะเป็นที่พักผ่อนแล้คุณดีขึ้นเยอะละแต่เพียงแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าที่ติดกระจายออกนอกเบอร์หกสอง วันนี้ไฟฟ้าเยอะแล้วมัง้งกลับมาวสการค่ะวันนี้เป็นวันเกิดค่ะอืแต่หนูไม่อยากเกิดค่ะไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเพราะมันเกิดแล้วค่ะทีนี้หนูจะปฏิบัติกระหลงพ่อมาเกือบสองปีนะคะหนูจะรายงานผลการปฏิบัติในภารพารวมให้ทราบนะคะว่าเ อ, อหนูก็จําสภาวะได้นะคะแล้วก็ ได้บ่อยๆแล้วก็สติก็เกิดนะฮะเมื่อสติเกิดบ่อยขึ้นเราก็แยกรูปกับนามได้นะฮะแล้วก็เห็นการเกิดดับของรูปและนามอค่ะต่อมาเนี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองกลัวนะคะกลัวแล้วก็ต่อมาก็รู้สึกว่าเบื่ออืแล้วต่อมาก็รู้สึกว่าไม่กลัวอื ø, นะคะแล้ว จนถึงภาวะสุดท้ายเนี่ยคือจิตมันไม่ค่อยดิ้นมันจะเป็นกลางมากขึ้นนั่นแหละภาวนามาดีแล้วนะส่วนรายละเอียดนะคะหูส่งรายละเอียดในสภาวะในแต่ละขั้นเนี่ยกับหลวงพ่อมามาบ้างแล้วทีนี้มันมีจุดสุดท้ายที่หนูดูมาสามเดือนแล้วค่ะหนูยังไม่กล้าส่งเพราะว่าอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอก็คือว่าหนูอาบน้ําเสร็จะคะ่ะจะไปนั่งที่เตียงอะคะ่ะสัก ยังไม่ทันตั้งตัวหรื อ, อนั่งทำอะไรเลยเนี่ยจิตมันค่อนข้างจิตจะรว ม, ม, รวมแล้วหนูเห็น อ, อพระพุทธเจ้านะคะอท่านส่งพลังงานมาให้หนูส่งแบบเ อ, อส่งมากๆหนูจนต้องเกาะเตียงอะเกาะขอบเตียงนะคะหนูก็ไม่กล้าจะเล่าให้ใครฟังน ะ, ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าหนูเป็นอะไรเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างที่มีสติค่อนข้างดีนะคะสติดีค่ะแล้วก็ <laughs> แล้วก็มันก็เกิดภาวะแบบอะไรแบบแป๊บแปบอาหารหนูก็ไม่ไม่ทราบมันเป็นอะไรค่ะแล้วก็จิตมันก็ทวนเกิดอะไรขึ้นในกี้เนี้ยค่ะเด็ดแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยรู้สึกตัวมันเบาเหมันกับไม่มีน้ำหนักค่ะเป็นมาสักค่าหกวันรู้ด้วยความเป็นกลางเหรอคะ ยังไม่ใช่ของจริงค่ะทีนี้หนูว่าหนูยังไปถามว่าเอตัวนี้มันเป็นอะไรนะคะที่ที่ที่ทอาจารย์พูดติดโอภาสเด็ติดกุกจุจะอะไรหรือเปล่าคะไม่หราจิตมันไปกระทบไปสัมผัสเข้าค่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สูญไปไหนพลังงานหนูท่านก็ยังอยู่ค่ ะ, ะเรานึกเราสัมผัสเนีเราก็เหมือนสัมผัสได้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องการเกิดมรรคผลคจิตมันรวมลงไปมีสมาธิขึ้นมาเป็นเรื่องของจิตมีสมาธิขึ้นมา บางทีแสดงทําให้เราฟังก็ได้ถ่ายทอดออกมาได้หรือบางคนนะเห็นพระพุทธเจ้ามาสอนบางคนก็ว่าหลวงพ่อไปสอนเราไม่ได้ออกจากวัดไปไหนทีนี้หนูต้องทำยังไงต่อคะดูอย่างนี้แหละดูอย่างนี้ดูซ้ำๆไปเออดูซ้ําอย่าไปสําคัญมั่นหมายนะมันไม่ใช่ตัวมักรู้แค่นั้นสังเกตไหมมันยังมีเราอยู่ดูออกไหม ออแล้วอะไรยังมีเรายอยู่<ะ>ยังไม่ใช่เกิดอรอยิยมรรค<ะ>แต่ว่าไม่บอกมากกว่านี้เดี๋ยวเสียในภาวนาเอาน ะ, ะขอบพระคุณคะ่ะอต่อไปเชิญกลับบ้าน <c oughs> วันนี้ภาวนาเก่งๆหลายคนนะคุณคนสุดท้ายนี่ภาวนาเก่งมากเลยการภาวนาไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมง่ายนะ <c oughs> รู้ซื่อๆรู้เข้าไปอย่างนี้แหละถูมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอก ถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาว่าไม่มีหรอกตัวเราตัวเราจริงๆไม่มีหรอกแต่ว่าเราอย่าพูดธรรมะให้คนอื่นฟังนะเดี๋ยวเราเสียเราเอาตัวรอดก่อนรักตัวเองก่อนตอนนี้